คือเราแน่ใจไหมว่าไอการตามเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะนะว่าอย่างเช่นนี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยเพราะนำมาซึ่งตันหาจนได้ไอตัวทุกตัวนั้นนะทุกอารมณ์แหละว่างันนำมาซึ่งตันหาจนได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ทุกมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีทุกขอันนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆวันนี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยนี้ความไม่เป็นไปแห่งทุกเนี่ย ถ้าตามเห็นอย่างนี้จริงเนี่ยเชื่อไหมว่าไอ้ข้อปฏิบัติอันเนี้ยทําให้พ้นทุกข์ได้เพราะมรรคเนี่ยอัตของเขาคือทัศนะคือเห็นเนี่ยปัญญานี่อัตวาว่าเห็นนั้นเจริญความเห็นตัวนี้แหละเรียกว่าเจริญสัมมาทิธิเห็นไหมทีนี้มรรคไม่ใช่มรรคมีเดียวใช่ไหมมีแปดทำยังไงที่จะให้มรรคทั้งแปดประชุมกันแล้วก็ตามเพ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือคือพวกนี้เนี่ ย, น, ยนะก็รู้แนวทางไปแต่ทีนี้ว่า องค์ประกอบเรื่องอื่นมันยังอีกเยอะเนี่ยนะมันมันไม่ใช่แค่นี้หรอกคือให้สํานวนว่าให้มันไตกระร่องกะระลอยก่อน <c oughs> ถ้าได้กระร่องกะระลอยแล้วไอ้พี่เหลือแล้วมันไม่ค่อยยากเพราะว่าค่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยวันนี้ทุกนี้มันทุกข์ ก, งง ร, ะกงงขระทุกยังไงนี้วิปริณามาทุกยังไงนี้สังขารทุกขยังไงทําไมมันจึงเป็นสังขาระทุกขแล้วนี้ทุกข์กระทุกนํามาซึ่งตัญหาอะไร นี่วิปริณามาทุกข์มันนำมาซึ่งสมุตตัญหาอะไรอีกนี้สังขารทุกข์มันนำมาซึ่งตัญหาตัวใดอีกแล้วทุกเหล่านี้ต้องเห็นยังไงมันจึงจะดับจริงนะแล้วนี่เห็นอย่างนี้นี่อั น, นิมิตราวิโมกเห็นอย่างนี้อัปปะนิหิตาวิโมกเห็นอย่างนี้สุญญตาวิโมกแล้วเห็นอย่างนี้แล้วเจริญจนเป็นโพธิปัฏฐานสามสิบเจ็ดประชุมกันเนีย่ยนะอันนี้แหละที่เราต้องหมั่นอ บ, บรมเป็นอย่างมากเล ย, ยนะเพียงแต่ว่า ให้เรามีความเห็นเป็นแนวเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเดี๋ยวนะว่าเออทางเดินของพระอริยะท่านเดินกันอย่างนี้นะแล้วเราค่อยๆหารายละเอียดเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆว่านี้ทุกถึงปัญญายังไม่มากสักเท่าไหร่หนึ่งเรารู้เลยว่าเราเนี่ยมันหลงผิดในสิ่งนั้นเองเราเข้าไปหวังในสิ่งนั้นอารมณ์นั้นจะไม่เป็นสุภาพนิมิตอารมณ์นั้นจะไม่เป็นปฏิฆานิมิตอย่างน้อยที่สุดกุศลจิตเกิด ไม่มีโทษให้ทนเป็นความสุขแล้วก็เป็นการคิดปรับทิศทางตามพระอริยะเนี่ยนะเป็นการกําหนดทิศทางตามพระอริยะเหมือนอย่างว่าเรารู้ว่าทางเดินของพระอริยะเนี่ยเส้นนี้แหละแต่ว่าเดินเป็นทันไม่ของเราถึงจะก้าวได้ทีละทีละก้าวสองก้าวแต่ก็ยังรู้ว่านี่นะคือหนทางเส้นเดียวกันว่าเราเดินไม่พลาดะนะเรายังเดินตามอยู่นะถึงอาจก้าว ไ, ไม่เร็วนะักหรือกําลังคลานอยู่ตุ้มเทียมตุ้มเทีย ม, ม, มอยู่ก็ชื่อว่า ให้มันถูกทางไว้ก่อนเนี่ยนะเออซึ่งมุ่งจะกล่าวในส่วนนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาจริงๆวันนี้ทุกอันเนี้ยนี้ทุกกระทุกวิปรินามาทุกสังขารทุกนี้ชาติชราพยาธิมรณะนี้อันนี้จะโตทุกกระโตโรกรโตเป็นต้นนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นนี้อนุปัสนาเจตเนี่ยนะเลิศเลิศนี้อะไรที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนี้จักอะไรเนี่ยอัศธาอาทีนวานี้นิสุรณะเป็นต้นเนี่ย ถ้าให้ควรตามนั้นได้อย่างละเอียดละ่อนแล้วมาแยกดูว่านี้ทุกอย่างเงี้ยปั๊บอินทรีย์ตัวไหนขาดตัวไหนเกินแล้ว ม, มาดูว่าเอช่วงนี้สัพทินรีอ่อนต้องเจริญอะไรแันน้นช่วงนี้วิริยินซีย์อ่อนเนี่ยมันเพราะมันขาดอะไรช่วงนี้สติินซีนี่อ่อนนะช่วงนี้วิริเอสมาทินซีนี่อ่อนอันนี้ปัญญินรีย์ทําไมจึงอ่อนจังก็นี้ทําไมสา ม, มารถประทานอิที่บาทอินรีย์พร ะ, ะโพชชองทําไมไม่บริบูรณ์ ทำไมไม่ประชมกันที่นี่ก็ภาระต้องไปอบรมเออโพ ท, ทิปักคิยธรรมตกแต่งความคิดตกแต่งจิตเนี่ยนะที่เรียกว่าบริขารบริขารเนี่ยปรับปรุงจนกว่าจะเพียบพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะก็คือการเห็นนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติเห็นนะการตามเห็นแต่ที่นี้ว่ามักไม่ใช่มีองค์เดียวมีองค์แปดนะที่อันนี้ยกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิ ถ้าเข้าใจสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่มาตรึกอย่างนี้ก็ไม่สู้จะยากนะไหมถ้ามีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วสัมมาสังกัปปะที่จะมาตรึกมาละลึกแบบนี้บ่อยๆมันไขควนแบบนี้บ่อยๆก็ง่ายขึ้นนะสัมมาวาจาล่ะคําพูดของเราอะไรที่มันจะขัดแย้งต่อการตรัสรู้อริยสัจเหล่านี้เราก็จะไม่พูดละนะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็จะบริสุทธิ์ไปตามสังกัปปะและวาจา ทีนี้ความภาคเพียรในการคิดแบบนี้เราบ่อยแค่ไหนเห็นไหมแล้วเราแน่ใจนะวันนี้ทุกจริงนี่ทุกแต่ว่าอร่อยอย่างนี้วะก็ต้องแน่ใจนะว่าทุกจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแต่ก็ยังดีนะนึกคำว่าทุกบังก็ยังดีนะแต่ว่าปีลณ ะ, ะจริงหรือเปล่าในความคิดของเราอัธยาสาัยของเราน้อมแน่ใจนะว่าคุณว่าทุกจริงหรือจริงแค่ไหน จริงพอที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหรื อ, อยังเนะี่ยะมันไม่ใช่ลักษณะเบื่อเบื่ออยากอยากอย่างที่ก็เล่าว่าชาวญี่ปุ่นเงี้ยเขามีญี่ปุ่นนี้เขามีบริษัทรับปรึกษาปัญหาคู่ชีวิตเขาบอกงั้นภรรยาทั้งหลายเขาจะไปปรึกษาสามีของเขานี่ยเลวมากว่าบงั้นใช้ไม่ได้นี่ก็ไมด่ดีนั้นก็ไม่ไว้อันนี้ก็เลวเหลือทนอย่างเงี้ยเขบอกโอ้ทําไมเขาเลวขนาดนั้นนะคุณทําไมคุณทนอยู่กับเขาได้ตั้งนานคุณอยาเข้าไปเถอะเนี่ย ก็บอกเขาไม่เลวขนาดนั thread, like ้นหรอกทำไมเนี่เขาก็ยังรับผิดชอบกับครอบครัวอยู่ก็ะมาณนั้นก็เลยกลับไปด้วยความสุขนะไปอยู่กับสามีคนเก่าต่อไปปรมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเนียนะเพราะถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยมันก็เบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อเป็นครั้งเบื่อเป็นคราวมันไม่ใช่เนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะเบื่อเป็นครั้งคราวหมายคำว่าโดยอัธยาสัยรู้พิษภัยของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะแต่นี้ไม่ได้ไม่อันนี้เปรียบอุปมาเปรียบเทียบนะ ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าทํำยังไงที่เราจะเห็นว่านี้ทุกขโดยอัธยาศัยของเราว่ามันเป็นทุกข์กับทุกจริงๆนะเพราะมันเป็นวัตถุแห่งทุกข์กับทุกเป็นวัตถุแห่งวิปริณามทุกข์และตัวเขาเองก็ไม่เที่ยงเป็นสังขารทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ทีนี้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ภายในดีอย่างเดียวไม่ใช่อารมณ์เดียวพรองผมก็ตรัสอยู่แล้วว่าทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกอยาบละเอียดเลวประนีต เพราะสิ่งเหล่านั้นนํามาซึ่งปัญหาทั้งหมดนั้นการพิจารณาจึงไม่ใช่พิจารณาอารมณ์เดียวเน่นะพิจารณาอยู่แค่วัตถุเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะให้สังขารทั้งมวลเนี่ยเสมอกันสังขาร ท, ทั้งที่น่ารักน่าชังเนี่ยมีความเสมอกันว่านี้ทุกเนี่ยนะจนกว่ามีสูตรนึ่งว่าจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมรับอารมณ์ทั้งอิทธารมณและอนิธารมณ์ก็ไม่หว่นไหว เนี่ยเป็นจิตเกษมปลอดภัยเพราะเป็นจิตที่มีอ่าเป็นจิตที่เข้าถึงอรหัตผลหรือเป็นจิตที่มีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็จะเป็นจิตที่มั่นคงไม่วันวายอย่างอย่างแท้จริงอันนั้นแหละเป็นเป็นมงคลในระดับสูงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอจะตรึกการมวิตกพยาบาทวิตกมิเฮงสาวิตกเป็นต้นเนี่ยนะการตรึกอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยเพราะไม่เป็นไปเพื่อความเบือนาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่ออภิพานถ้าเธอทั้งหลายจะตร ực, ึกเธอทั้งหลายพึงตรึกว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกข า, านิโรดนี้ทุกขานิโร ธ, าาโรธาคามินีปฏิปทา <c oughs> การตรึกของเธอเหล่านี้นี้เป็นเบื้องอนี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน elimin. เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงพยายามภาคเพียนว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธค า, <diesem S 2> ามินีปฏิปทา <na> ถ้าการตรึกอย่างนี้ไม่ดีจริงพระองค์ก็จะไม่ยอมรับ ว, ว่านี้เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเพราะการคิดแบบนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยสัตที่สําคัญแห่งอริยมรรค อีกชื่อหนึ่งว่าเจริญสัมมาสังกตะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละถ้าใครเห็นแบบนี้ก็ชื่อว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกนะสัมมาทิฏฐิ Geez. อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักลองแต่ควาแม่น้ําทุกสายไหลไปสู่ทะเลยังลงสู่ทะเลมีทะเลเป็นที่สุดฉันใดผู้ที่อบรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปตะเป็นต้นดังกล่าวไปเนี่ยนะ ไหลสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดชั้นนั้นนะที่สำคัญปัญหาว่ากำหนดทิศทางไม่ชัดเจนมันก็เลยเจริญได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะรับการทำความเข้าใจในชั้นห ย, ยาบๆให้มันอะไรนะให้มันขีดตารางพื้นที่ก่อนว่ามันแค่ไหนกันแนะ่เนี่ยค่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยๆ อย่างน้อยที่สุดแบนี้ทุกไว้ก่อนก็ยังดีนี้ทุกขสมภูรไทยอ่ะนะไม่ได้อะไรก็ได้แต่คําเหล่านี้นะเชื่อเลยว่าชนเราได้มีศรัทธาตามนี้นะคิดอย่างนี้ก่อนตายหน้าไปสุขคติอยู่แล้วล่ะนี้ทุกเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยนะนี้ทุกนี้ทุกขสัมภูรไทยนะไม่ไปสวรรค์นี่ของมากล้ารับรองว่าต้องไปแน่นอนอ่ะนะรับรองว่าจะนึกอย่างนี้เหมือนกันก่อนจะตายเนี่ยนะนึกอะไรไม่ได้กบบนี้ทุกไว้ก่อนนะเงี้คือถ้าคิดอย่างนี้ถามว่าหนึ่งนี้ทุกเนี่ยหนึ่ง เราจะไม่บอกวันนี้สุขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งอที่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเที่ยงแบบไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นงาม น, นะก็เราิาเขาเข้ า, ข า, ขาตามกฎเกณฑ์ของสติปัญฐานอยู่แล้วนั้นปัญหาว่าสําคัญคือทําไมไม่คิดนี่สิทําไมไม่ค่อยคิดทําไมหรือว่าไอความคิดอันนี้ไม่ดีจริงที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์เนี่ย น, นะหรือเรามีศรัทธาแค่ไหนว่าเออถ้าคิดแบบนี้แล้วอ่ะช่วยให้เราพ้นทุกข์จริง เรามั่นใจแค่ไหนเนี่ยนะไอตรงนี้แหละที่จะมาถามว่าเนี่ยแล้วคุณเชื่อพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยพะพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันแน่ตรัสรู้ว่ายังไงตรัสรู้ที่ไหนเมื่อไรทํางไมตรัสรู้ตรัสรู้ล้ดียังไงเนี่ยนะก็เลยจะถามว่าเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็อบรมอินทรีย์อย่างเนี้ยนะจนกว่าว่าถ้าอินทรีย์ที่เห็นเนี่ยนะอริยสัจอินทรีย์ที่กล่าววันนี้ทุกเนี่ยไอที่เห็นเนี่ยเป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหม ทีนี้ถ้าปัญญินรียเจริญไปเจริญมาไอ้สัพพินรียดีจริงหรือเปล่าก็ย้อนกลับไปหาต้นเดิมอีกใหม่ทั้นอินรีห้าเหล่านี้อบรมซึ่งกันและกันเกื้อกูลแก่กันและกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมทีนี้ถ้าเจริญตามนี้ได้จริงๆนะจะไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธามีในรัตนะสูตรกล่าวถึงว่าผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยเหมือนอย่างว่าเสาเขื่อนที่ปักลง สมมติว่าเสาสิบหกซอกเนี่ยนะตักลึกลงดินเนี่ยสี่ซอกเอ อ, อ, อแปดซอกแปดซอกก็เท่ากับกี่เมตรสี่เมตรเนี่ยนะเสาสิบหกเออเสาแปดเมตรเนี่ยนะฝังลงดินสี่เมตรโผล่ขึ้นสี่เมตรเป็นเสาท่อนซุงตันเลยเนี่ยใหญ่โตเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่หวั่นไหวจากลมเนี่ยไม่ใช่คนไปผลักประโยคเนี่ยนะจากลมที่พัดมาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดผู้ที่เห็นพระนิพพานก็เหมือนกันฉั้นนั้น จะไม่หวนไไวในถ้อยคําของสมณพราหมณ์ทั้งหลายนะจะไม่หวนไไวในลัทธิทั้งหลายในทุกๆลัทธิเนี่ยนะจะไม่หวนไไวในคําของผู้อื่นแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเห็นอริยสัจแล้วถ้าเขาเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยเขาเขาไม่จะไม่เอ็นเอียงไปหารัฐที่ใดลัทธิหนึ่งที่ห่างไกลาจากอริยสัจเพราะเชื่อเลยว่าคําสอนใดที่ไม่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจคําสอนนั้นช่วยให้เขาดับทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะ ถ้าเราคิดไปหนึ่งนะของมาชอบคำของภาษารีบุทมาก